ที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่ข้าแม่ทุกคนได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าพระองค์ร่วมกันด้วยร้องเพลงสรรเสริญออกพระนามของพระองค์เวลานี้จะได้รับฟังพระวจนะของพระองค์ขอจะทรงสถิตอยู่ท่ามกลางข้าแม่ทุกคนด้วยให้พระวจนะในบ่ายวันนี้ที่ข้าแต่ต้องสัมผัสจิตใจและพี่น้องทุกคนจะสามารถนําไป ป, ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อไปได้ค่ะแต่พระเจ้าขอมอบเวลานี้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะในบายวันนี้นะคะพระเจ้าก็รู้สึกมีความชื่นชมยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระราชนะของพระเจ้าให้กับพี่น้องนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความชื่นชมยินดีนะคะเดือนธันวาคมนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนนะคะได้ฉลองเทศกาลเลยคะ่ะ คริสต์มาสนะคะนับจากานับจากอาทิตย์นี้ไปอีกสองอาทิตย์นะคะก็จะถึงคริสต์มาสแล้วนะคะก่อนที่ก่อนที่เราจะไปถึงคริสต์มาสเนี่ยเราก็ต้องจัดเตรียมใช่ปหมะมีการจัดเตรียมก่อนที่จะถึงเราก็ต้องมีการเตรียมรับเสด็จคะ่ะและในเดือนนี้คริสต จ, จักรวัฒนาเรานะคะได้ตั้งให้เป็นเดือนเทศกาลแห่งการเตรียมรับเสด็จนะคะให้เรามองไปที่ข้างบนดีไหมคะ จะมีเทียนอยู่นะคะทั้งหมดห้าเล่มนะคะเราจะมีเทียนทั้งหมดห้าเล่มนะคะเทียนห้าเล่มนะคะคุณจักรเราเริ่มจุดเทียนมาแล้วตั้งอ า, อาทิตย์ที่1นะคะคือวันที่สาธันวาคมนะคะเทียนเล่มแรกนะคะที่จุดก็คือเทียนสีน้ำเงินนะคะก็คือเห็นไหมคะเทียนสีน้ำเงินนะคะเป็นเทียนแห่งคําพยากรนะคะเป็นเทียนแห่งคําพยากรเพื่อลาลึกถึงคําพยากรเกี่ยวกับ การเสด็จมาของพระเมสิยานะคะอาทิตย์ที่สองนะคะคือวันที่สิบธันวาก็คือวันนี้นะคะจุดเทียนเล่มที่สองนะคะก็คือสีเหลืองนะคะสีเหลืองนะคะเป็นเทียนแห่งทูตสวรระคะ์ค่ะเป็นเทียนแห่งทูตสวรรค์เพื่อลาลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมารีนะคะซึ่งทูตของพระเจ้ามาบอกกับมารีว่าเธอจะตั้งครรภ์และ คลอดบุตรชายและให้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูนะคะในตอนแรกมารีรู้สึกตกใจมากเพราะว่าเธอยังไม่ได้แต่งงานและเธอยังเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าเธอจ ะ, อะมีคู่มั่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเธอยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้ยังไม่เคยร่วมกับชายใดเลยนะคะแต่ทูตของพระเจ้าบอกว่าบุตรที่เกิดมานั้นจะเกิดโดย เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะคะและเมื่อทูตของพระเจ้าบอกบอกกับมารีว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้ะคะมารีก็ยอมจำนนกับพระเจ้าอาทิตย์ที่สนะคะคือวันที่สิบเจ็ดธันวาคมนะคะจะจุดเทียนสีขาวนะคะเทียนสีขาวเทียนแห่งผู้เลี้ยงแก ะ, ะคะเทียนแห่งผู้เลี้ยงแกะเพื่อลาลึกถึงบรรดาผู้เลี้ยงแกะนะคะที่ เฝ้าฝูงแกะในเวลากลางคืนและมีทูตของพระเจ้ามาปรากฏกับเขาและบอกข่าวดีกับคนเลี้ยงแกะว่าจะมีกษัตริย์นะคะจะมีองค์พระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดที่เมืองดาวิดนะคะและเขาก็ได้ตามไปดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นนะคะเมื่อเห็นแล้วก็นำเรื่องราวมาพูดให้กับผู้อื่นได้ฟังอาทิตย์ที่สี่นะคะ คือวันที่24่ธันวาคมจะจุดเทียนสีแดงคะเทียนสีแดงเป็นเทียนแห่งเบ็ดเลเฮมคะเทียนแห่งเบ็ดเลเฮมเพื่อลาลึกถึงคํากล่าวของทูตสวรรค์ที่ว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสตเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิด ท, ท่านจะพบพระกุมาร น, นั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางยากค่ะนั่นคือเทียนสีแดงนะคะเป็นเทียนแห่งเบ็ดเลเฮม และวันที่25ธันวานะคมจะจุดเทียนสีขาวนะคะเทียนสีขาวพร้อมกับเทียนทุกเล่มที่จุดมานะคะ 1-4 นะคะที่จุดมาทั้งหมดตั้งแต่อาทิตย์ที่1จนถึงอาทิตย์ที่4นะคะและในปี2017นี้นะค ะ, ะสะะีเทศกาลคริสต์มาสของเรานะคะจะต ร, ตรงกับวันจันทร์นะคะที่25ธันวาคมนะคะสีประจำเทศกาลแห่งการเตรียมรับเสด็จคือ สีม่วงนะคะหมายถึงสีสีแห่งกษัตริย์ค่ะสีม่วงสีแห่งกษัตริย์เราทุกคนนะคะหรือว่าประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะคะย่อมคุ้นเคยดีกับการเตรียมรับเสด็จนะคะเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระศกนิกรพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะเราทุกคนได้เตรียมรับเสด็จเมื่อพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมรับเสด็จ ต้องมีการกําหนดล่วงหน้านะคะต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างต้องเตรียมทางเตรียมสถานที่คะจัดตกแต่งให้สวยงามเมื่อถึงเวลารับเสด็จก็จะแต่งตัวแบบสวยงามนะคะแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะคะเช่นเดียวกันนะคะเทศกาลคริสต์มาสคะหรือว่าเทศกาลเตรียมรับเสด็จก็จะเป็นเวลาที่เป็นเวลาและโอกาสที่เราทุกคนจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะต้อนรับ อพระเยซูคริสต์นะคะผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์คือเพื่อไถ่บาปชีวิตของเราทุกๆคนนะคะการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์นะคะเพื่อที่จะเปิดเผยและสําเดงพลักษณะและน้ําพระทัยของพระองค์นะคะให้กับมนุษย์ได้รู้ได้เห็นและได้เข้าใจในพระธรรมฟิลิปปีบทที่14ข้อที่11นะคะได้บอกว่าจงเชื่อเราเถิดว่าเราอยู่ในพระบิดา และพระบิดาทรงอยู่ในเราหรือมิฉะนั้นก็จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านั้นที่เราได้กระทำพระองค์ทรงทำพันธกิจทำํำสิ่งต่างๆมากมายนะคะให้เราให้เห็นนั่นคือพระองค์ทรงเปิดเผยและสําเดงให้กับมนุษย์ได้เห็นนะคะพระองค์มาบังเกิดเพื่อที่จะยอมตายที่บนกลางเขนนะคะเป็นเครื่องบูชาไถ่ความผิดบาปมนุษย์เราทุกๆคนนะคะทำให้มนุษย์ที่เชื่อและวางใจในพระองค์เนี่ยได้รับ ความรอดจากโทษบาปนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16ได้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะคะ่ะมาบังเกิดเพื่อที่จะสร้างชุมชนใหม่สร้างชุมชนขึ้นใหม่เป็นชุมชนแห่งความเชื่อนะคะนั่นก็คือคริสตจักรนั่นเองนะคะนั่นคือคริสตจักรซึ่งเป็นตัวแทนหรือว่า เครื่องมือของพระองค์ในการทำพันธกิจคะที่จะนำให้คนกลับใจมาเชื่อพระเจ้านะคะและกลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านะคะในสองคนลินบทที่5ข้อที่ 18-19 ได้บอกว่าทางสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสและทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้ คืนดีกันกันกบพระองค์โดยพระคริสต์มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีนั้นให้เราประกาศนะคะพระองค์มาบังเกิดเพื่อที่จะเปิดเผยและสัาแดงพลักษณะและนามพระไรของพระองค์มาเพื่อที่จะยอมตายบนไม้กางเขนไถ่ความผิดบาปให้กับมนุษย์เราทุกๆคนและมาเพื่อเรียสร้างชุมชนใหม่นั่นคือคริสตจักร และให้เราทุกคนนั้นที่จะพูดเรื่องราวของพระงค์นำคนมารับเชื่อพระงค์ค่ะข้าพเจ้ามีเรื่องเล่านะคะว่านานมาแล้วนะคะมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งเขามีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะคะมหาศาลเลยทีเดียวนะคะแบบเป็นพันพันล้า น, นะคะแต่เขาเนี่ยกลับไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเขาไม่มีบุตรที่จะมาสืบทอดมรดกอายุของเขาเนี่ยก็ แก่ชร า, ามากขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันนะคะในวัยชร า, าที่เขากําลังจะสิ้นหวังกําลังจะหมดหวังนะคะการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับเขาค่ะภรรยาของมหาเศรษฐีนะคะก็ได้ตั้งครันและคลอดบุตรชายอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าเธอชร า, ามากแล้วและเธอจะมีบุตรได้จะคลอดบุตรได้นะคะแม้ว่าลูกที่คลอดออกมา จะพิการนะคะเธอเคลอดลูกออกมาแต่ว่าลูกของเธอพิการแต่มหาเศรษฐีคนนี้นะคะก็รักลูกสุดดวงใจรักรักลูกมากๆนะคะเมื่อเด็กน้อยอายุได้5ขวบนะคะภรรยาของเศรษฐีคนนี้ก็เสียชีวิตลงนะคะ่ะท่านมหาเศรษฐีคนนี้ก็ยิ่งทุ่มเทความรักทั้งหมดที่มีนะคะให้กับเด็กน้อยคนนี้จนเด็กน้อยคนนี้อายุได้13ปี ก็ได้เสียชีวิตลงนะคะได้เสียชีวิตลงเพราะว่าโรคที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะมหาเศรษฐีรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกผิดหวังเพราะว่าทุ่มเทความรักและภรรยาก็ได้เสียไปแล้วมีแต่ลูกคนเดียวเท่านั้นนะคะเขาก็เสียใจมีความทุกข์อย่างหนักจนในที่สุดนะคะเขาก็ตรอมใจตายะคะตรอมใจตายหลังจากที่มหาเศรษฐีนะคะได้เสียชีวิตลง มีเจ้าหน้าที่นะคะคนที่ได้รับการจัดการเรื่องมรดกก็เอามรดกของมหาเศรษฐีคนนี้นะคะออกมาเพื่อที่จะประมูลประมูลทรัพย์สินทั้งหมดมีประมาณเป็นพันพชิ้นนะคะของมหาเศรษฐีเพราะว่าเขารวยมากนะคะร่ํารวยมากเขาเอาออกมาประมูลมีตั้งแต่ราคาไม่กี่สิ บ, บาทนะคะไปจนถึงราคาพ0 0หมื่นแสนนะคะคือไล่ขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะ แล้วก็มีคนมาร่วมประมูลวันนั้นเนี่ยประมาณหลายร้อยคนเลยนะคะชิ้นแรกของชิ้นแรกที่เข า, เ อ, าออกมาประมูลเนี่ยคือรูปภาพนะคะรูปภาพของมหาเศรษฐีคนนี้รรูปของเขาเนี่ยเป็นรูปอยู่ในกรอบไม้เล็กๆนะคะรูปพิการคนนี้ของเขานะคะอยู่ในเป็นรูปกรอบไม้เล็กๆแต่ว่าไม่มีใครสนใจเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่กรอบรูปธรรมดาไม่มีใครสนใจคนส่วนใหญ่เนี่ยรอรอซื้อ สิ่งของที่มีค่ารอซื้อสิ่งของที่โอ้โหอยากจะได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามมีค่ามากๆากนะคะในสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เคยเป็นคนรับใช้ในบ้านของเศรษฐีคนนี้นะคะเคยเป็นคนดูแลเด็กชายคนนี้เธอก็ได้ยื่นข้อเสนอนะคะซื้อรูปภาพนั้นในราคา100่งร้อยบาทะคะ่เะเขากซื้อรูปกรอบรูปนั้นมาในราคา100บาทเธอได้รูปนั้นมาแบบง่ายดายนะคะได้มาอย่างง่ายดายเพราะว่า ไม่มีใครอยากจะได้เธอก็ได้มาแบบไม่ต้องแย่งชิงกับใครนะคะเมื่อหญิงคนนั้นได้รูปมาแล้วสังเกตเห็นด้านหลังของกรอบรูปนะคะด้านหลังกรอบรูปมีซองจดหมายมีซองจดหมายเก่าๆนะคะติดอยู่เธอจึงแกะออกแล้วก็เปิดอ่านนะคะปรากฏว่าซองนั้นเนี่ยคือพินัยกรรมค่ะเป็นพินัยกรรมที่มหาเศรษฐีคนนี้เนี่ยได้เขียนเอาไว้มีเนื้อความว่าผู้ใดก็ตาม ที่คิดว่าลูกชายของฉันมีค่าและได้ซื้อรูปภาพนี้ไว้ฉันจะขอยกมอญดกทรัพย์สินทั้งหมดทั้งหมดของฉันให้กับเขาคนนั้นนะคะการประมูลทรัพย์สินของมหาเศรษฐีหมื่นล้านนะคะในวันนั้นก็ได้สิ้นสุดลงท่ามกลางความผิดหวังแล้วก็ความเสียใจของคนเป็นจํานวนมากสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนที่เป็นคนรับใช้คนนี้ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปครองนะคะ พี่น้องคะรูปของเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับพระเยซูคริสต์เราทุกคนได้เห็นคุณค่าของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้ามากน้อยเพียงใดหรือเรายังให้คุณค่าอยู่กับสิ่งของราคาสิ่งของราคาแพงหรือว่าทรัพย์สินที่อยู่ภายนอกของเราสิ่งของที่เมื่อเราตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะนําเอาไปได้ถึงแม้ว่าเราจะร่ำรวยแค่ไหนก็ตาม เมื่อเราตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้แต่ถ้าเราให้คุณค่าให้ความสำคัญกับพระเยซูคริสต์เราจะได้รับมรดกที่มากมายและเป็นมรดกที่จะไม่มีวันสู์สิ้นคะเราพร้อมที่จะยอมมอบชีวิตและทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระเยซูคริสต์หรือเปล่าคะอาจารย์เปาโลนะคะได้บอกในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่8บอกว่า ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสล ะ, ะสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์อาจารย์เปาโลยอมสละสิ่งที่อยู่ภายนอกและยอมที่จะเอาองค์พระเยซูคริสต์เป็นที่หนึ่งในชีวิตนะะในเทศกาลเตรียมรับเสด็จะคะเราทุกๆคนนะคะควรจะเตรียมสิ่งต่อไปนี้นะคะอย่างที่หนึ่งนะคะให้เราเตรียม จิตใจของเราให้พร้อมนะคะเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระองค์เราจะเห็นว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะแม้แต่ในสถานบันเทิงเรื่องลมต่างๆนะคะก็จะมีการประดับไฟสวยงามใช่ไหคะยิ่งเซนต์แอเวอร์ใช่ไหมค ะ, World, มคะที่เราเห็นโอ้โหสวยงามมากและก็อยากจะไปถ่ายรูปใช่คะเราได้เห็นบรรยากาศที่เขาได้ จัดแต่งเนาะได้เห็นแสงสีเสียงหรือว่าความบันเทิงต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการของเขาเพื่อให้ลูกเหมือนเรียกลูกค้าให้เข้ามานะคะยังที่ที่เขาเทำทำการค้านั้ น, นะคะและให้รู้ว่ามีเทศกาลเนี้ยเกิดขึ้ น, นะคะแต่ละสถานที่ที่เขาได้จัดเตรียมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ทํานี้นะคะเขาทําเพื่อเพียง ธุรกิจเท่านั้นนะคะเขาทำเพียงแค่เรียกให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของเขาให้เห็นว่ามีเทศการนี้นะเขาก็ทำเพียงเพื่อธุรกิจเท่านั้นนะคะแต่คริสเตียนไม่ใช่เรื่องของการที่จัดเตรียมสถานที่เท่านั้นคะความสำคัญที่สำคัญที่สุดนะคะอยู่ที่ใจของเราว่าเราเตรียมเตรียมพร้อมกับการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์มากน้อยแค่ไหนนะคะ คริสเตียนเรานะคะไม่ควรให้ความสำคัญด้านเนื้อหนังมากกว่าจิตใจไม่ใช่เป็นการจัดเตรียมแบบผักชีโรยหน้านะคะหรือเป็นการจัดเตรียมแบบสละเปาข้างนอกขาวข้างในสีดำนะคะให้เราเตรียมด้วยจิตใจของเราจริงๆนะคะเตรียมด้วยจิตใจที่พร้อมกับการที่พระองค์จะเสด็จมานะะส่วนที่สำคัญมากที่สุดก็คือฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณของเราเองนะคะฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณควรเป็นสิ่งที่จะต้องจัดเตรียม และจัดการมากที่สุดเมื่อฝ่ายจิตวิญญาณของเราะะได้รับการจัดเตรียมแล้วสิ่งทุกอย่างที่เราทําออกมามันก็จะทําออกมาด้วยใจและทําออกมาได้ดีนะคะอย่างที่2ก็คือให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องนะคะนอกจากเราจะเตรียมจิตใจของเราแล้วเราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องในอิสยาบทที่40ข้อที่3นะคะได้บอกว่าจงกระทำมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปหุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น ภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลงที่ลุ่มๆดอนๆจะให้เสมอและที่สูงๆต่ำๆให้เป็นที่ราบหมายความว่าให้เรากำจัดอุปสรรคปรับเปลี่ยนจิตใจของเราเพื่อเตรียมพร้อมในการรับเสด็จเราต้องปรับปรุงตัวเองนะคะให้เหมาะสมพระวจนะในตอนนี้นะคะยอนนะคะได้ใช้ท้าทาย ประชาชนนะคะให้เตรียมพร้อมสําหรับการเสด็จมาของพระเมสสยาในตอนนั้นยอนนะคะเป็นผู้ที่มาเตรียมทางให้กับพระเยซูคริสเราทุกคนรู้จักยอนดีนะคะว่ายอนเป็นใครยอนนะคะเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้มาเพื่อที่จะเตรียมทางพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็สําเร็จตามพระวจนะของพระเจ้านะคะเราขอบคุณพระเยซูคริสนะคะที่ได้เสด็จมา ตามนัดนะคะได้เสด็จมาตามนัดพระวจนะของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมนะคะเป็นคำทำนายหรือว่าเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ค่ะและเราจะพบว่าพระสัญญาหรือคำทำนายเหล่านั้นเนี่ยได้เป็นจริงในพันธนนสัญญาใหม่ค่ะในพระธรรมอิสยาห์บทที่เก้าข้อที่6กถึงเจได้บอกได้ทำนายล่วงหน้าไว้เป็นหลายร้อยปีนะคะก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมา เมื่อชนชาติอิสราเอลอาศัยอยู่ในแผ่นดินคนาอันนะคะพวกเขาไม่ได้พบแต่เพียงสันติสุขเท่านั้นแต่ว่าเขายังประสบความทุกข์ยากลำบากหลายๆอย่างนะคะบางครั้งเกิดแห้งแล้งนะคะเกิดการกันดานอาหารหรือว่าบางทีก็ถูกศัตรูนะคะมาลุกรานเป็นศัตรูจากที่อื่นนะคะมาลุกราน ตกไปเป็นเลยนะคะต่อสู้กับความเชื่ออื่นๆที่เข้ามามีอิทธิพลต่ออิสราเอลเองนะคะในเวลานั้นเนี่ยเขาได้รอคอยพระเมสสิยาเพื่อที่จะมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาะคะพระธรรมอิสยาะนะคะถูกเขียนขึ้นในเวลาที่เปลี่ยนการปกครองถึง4ี่ราชการด้วยกันนะคะคืออุสยาโยธามอาหัสและเฮเซคียานะคะซึ่งปกครองเหนือยูดา แต่และราชาการนะคะมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่มีสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่เลวร้ายมากมายนะคะประชาชนต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆนะคะมีทั้งความสุข ความทุกข์นะคะถึงพระเจ้าจะลงโทษบ้านเมืองให้แตกสลายไปแต่อิสยาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้านะคะเป็นกระบอกเสียงให้กับพระเจ้าได้ประกาศในพระธรรมอิสยาบทที่6ข้อที่9ว่าจะมีผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อเราและเป็นพระเมสสิยาพระผู้ช่วยให้รอดพวกเขานะคะจึงมีความหวังขึ้นพวกเขาจึงมีความหวังนะคะ่ะพระธรรมตอนนี้นะคะได้เปิดได้เปิดเผยความจริงถึง องค์ผู้มาบังเกิดนะคะเรียกพระนามของพระองค์ว่าเป็นที่ปรึกษามหาสจร น, นะคะพระองค์ทรงเป็นองคศพยูยานนะคะที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงเข้าใจทุกๆอย่างในฝีพระหัตของพระองค์นะคะรวมถึงเราทุกๆคนเองนะคะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นและทรงเข้าใจเราว่าเราเป็นแบบไหนเรามีความทุกข์เรามีปัญหาเราสามารถที่จะปรึกษา พระองค์ได้ในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือว่าจะมีความทุกข์เราสามารถที่จะคุยจะพูดกับพระเจ้าได้นะคะเพราะว่าบอกมนุษย์ก็มีแต่จะเอาเรื่องของเราไปตินินทาใช่ไหมคะติฉินนินทานะคะเอาไปพูดเสียหายแล้วก็บอกว่าอย่าไปบอกใครนะสุดท้ายแล้วเป็นไงคะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็ยังเอาไปพูดต่อๆกันบอกมนุษย์ ก็มีแต่จะทําทให้ทุกสิ่งแย่ลงแต่ถ้าเราบอกกับพระเจ้าพระเจ้ามีทางออกให้กับเราทุกๆปัญหานะคะเราสามารถที่จะบอกกับพระเจ้าได้บอกใครไม่ได้บอกพระเจ้าได้นะคะเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าเรียนอยู่ที่พัคิทรมแมกิวารีนะคะข้าพเจ้าเรียนเรารู้สึกอตอนช่วงปีหนึ่งเนี่ยมีความสุขมากปีสองเริ่มเริ่มหนักขึ้นมานิดนึงแต่พอปีสามมันเหมือนเป็นจุดที่ มันเหมือนเป็นจุดที่หนักมากๆที่เราจะต้องพาเชิญมันไปให้ได้นะคะตอนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกหนักใจรู้สึกไม่รู้จะไปพึ่งใครนะคะมันอึดอัดอยู่ข้างในนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าทั้งเรื่องการเรียนนะคะไหนจะเรื่องส่วนตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะบอกกับพระเจ้าได้นะคะเราสามารถพูดให้กับพระเจ้าพระเจ้ามีทางออกแล้วก็มีวิธีแก้ไขให้กับเราในทุกๆ ปัญหานะคะนอกจากพระองค์จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วนะคะพระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์นะคะพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนะคะไม่มีสิ่งใดที่เหนือเกินกาลังของเหนืออิทธิพลของพระองค์นะคะพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้นะคะ และพระองค์ทรงเป็นพระบิดานิรันต์คะพระเจ้าทรงสร้างและครอบครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างทรงเป็นองค์สันติราชนะคะเป็นผู้ที่นำสันติสุขและความสุขแท้มาสู่มนุษย์ทุกๆคนนะคะนอกจากพระองค์จะเป็นพระบิดานิรันต์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่ปรึกษามหาสจรรัลองค์สันติราชแล้วนะคะพระองค์ยังทรงเป็นองค์อิมมานุเอลนะคะในอิสยาบทที่7ข้อที่สิบอกว่า คำทํานายของอิสยาห์ในตอนนี้ได้สำเร็จและเป็นจริงนะคะได้สาเร็จและเป็นจริงนะคะในมัท uh, ธิวที่1ข้อ 22-23 นะคะได้บอกว่าทั้งนี้เกิดเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งตัดไว้โดยผู้เผยวจนะว่าดูเถิดหยิงพมจารีคนหนึ่งจะตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลนะคะและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมาโเอล อิมานุเอลแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรานะคะพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าทรงพระชนอยู่และทรงประทับอยู่กับเราทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตพระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดเวลานะคะพระองค์อยู่กับเราในมัทธิวบทที่28่สข้อยีนะคะก็ได้บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค น, ะะนี่คือคํายืนยันที่พระองค์ทรงบอกกับเรานะะในมัทธิวพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราในสภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราในทุกๆทีท่ทรงเตือนและย้ําในจิตใจของเราว่าสิ่งไหนควรจะทําสิ่งไหนที่ไม่ควรทําเมื่อเราทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะเตือนและฟ้องในจิตใจของเราว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องสิ่งนั้นมันไม่ดีค่ะนี่คือพระองค์ทรงอยู่กับเราในสภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่พระคัมภีร์นะคะได้เขียนไว้ยืนยันในหนึ่งโคลินบทที่สาข้อสิบได้บอกว่าทั้งทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านคะและมีคําพยากรมากมายนะคะในพันธสัญญาเดิมไม่ได้ทำํำ ที่ได้ทํานายถึงพระเยซูคริสต์นะคะในมีคานะคะได้ทํานายในในมีคาบทที่หข้อที่2นะคะได้บอกว่าโอเบตเลเฮมเอฟราธาแต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจะจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณ น, นะคะได้สำเร็จในมัทธิวบทที่2ข้อที่1และในลูกาบทที่2ข้อที่4ถึงนะคะ เบเเลห์มนะคะเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเกิดในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรธนะค ะ, ะมีพวกโหราจานนะคะได้เข้าเฝ้าพระกุมารในส ด, ดูดีบทที่72ข้อที่10บนะคะบอกว่าขอบันดาพระราชาแห่งเมืองทาชิตและของเกาะทั้งปวงถวายราชบันนาการขอบันดาพระราชาแห่งเชบาและเสบานำของกำนันมาได้สำเร็จในมัดธิวบทที่2ข้อที่ 1-11 นะคะ เป็นพวกหัวราจารย์ที่ตามดาวประหลาดนะคะมาเข้าเฝ้าพระเยซูคริสต์พวกเขาได้เดินทางมาแต่มาเจอกับเฮโรดนะคะเมื่อเฮโรดรู้ได้รับรู้เขาก็รู้สึกว้าวุ่นใจรู้สึกกังวลใจเพราะว่าจะมีคนมาเป็นกษัตริย์แทนเขาเขาจึงหาวิธีทุกวิธีที่จะกำจัดกษัตริย์นั้นนะคะพระเยซูคริสต์นะคะมาบังเกิดหัวราจารย์ได้ขัไปเข้าเฝ้าพร้อมกับ ของบรรณาการนะคะนั่นก็คือทองคำกำมยานและมดยอบนะคะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่นำไปมอบให้กับพระเยซูนะคะจะมีการฆ่าเด็กผู้ชายหลังจากที่พระเยซูประสูตินะคะในเยเลมี mi, ะ, ะบทที่3 1ข้อที่15พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าได้ยินเสียงในรามาเป็นเสียงโอดครวญและรำ่ำไห้ราเชลร้องไห้คร่ำครวญเพราะบุตรทั้งหลายของตนนางไม่รับคำเล้าโลมในเรื่องบุตรทั้งหลายของตน เพราะว่าบุตรทั้งหลายนั้นไม่มีแล้วนะคะสำเร็จในมัทธิวบทที่สองข้อที่16 1 8ถึงนะคะเป็นตอนที่กาษัตริย์เฮรโรธนะคะเมื่อได้ยินข่าวจากโหราจาร์ใช่ไหมคะเขารู้สึกโกรธโกรธมากๆและก็ได้สั่งฆ่าเด็กผู้ชายที่อายุอายุสองขวบลงมานะคะก็ได้สั่งฆ่าจะเป็นตอนที่โยเซฟนะคะพามาลี พามาลีและภากกมาห น, นีไปอียิปต์นะคะในโฮเชยาบทที่11ข้อที่1นะคะครั้งเมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่เราก็รักเขาเราได้เรียกบุตรชายของเราออกจากอียิปต์นะคะสำเร็จในมัทธิวบทที่2ข้อที่14ถึง15นะคะทูตสวรรค์บอกกับโยเซฟนะคะให้พามาลีและก็พระเยซูหนีไปที่ประเทศอียิปต์แล้วอยู่ที่นั่นจนเฮโรดเสียชีวิตนะคะนี่คือสาเร็จ ในพระวจนะของพระเจ้าทุกอย่างที่พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมนะคะได้เตรียมในพันธสัญญาเดิมนะคะได้เตรียมหนทางมาสู่พันธสัญญาใหม่นะคะพระเจ้าจัดเตรียมพระเยซูคริสเพื่อมนุษย์ทุกๆคนนะคะที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์นะคะ เราทุกคนรู้ดีว่าพระองค์ได้เสด็จมาตามนัดแล้วนะคะตามคำทำนายนะคะพระองค์ได้เสด็จมาในสภาพของทาลกน้อยในเมืองเบเดเลเฮมใช่ไหมคะแต่พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งนะคะเป็นครั้งที่สองนะคะซึ่งพวกเรากําลังรอคอยอยู่พวกเรากําลังรอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่2ขององค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นนะคะควรเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเตรียมจิตใจ จิตวิญญาณของเราให้พร้อมนะคะในการรับเสด็จของพระองค์ในครั้งที่สองนี้นะคะพระเยซูคริสต์ทรงตรัสในมัทธิวบทที่24่สข้อสีนะคะว่าเหฉะนั้นท่านทั้งหลายเตรียมพร้อมไว้เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมานะคะให้เราทุกคนนะคะที่จะเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมในการเตรียมรับเสด็จ องค์พระเยซูคริสต์นะคะโดยเฉพาะการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์เป็นการเสด็จกลับมาด้วยไฟนะคะเป็นสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตโดยเชื่อฟังและวางใจในพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราได้จริงๆเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดค่ะเพราะพระองค์จะมารับให้เราไปอยู่กับพระองค์ด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนนะคะให้เราที่จะเตรียมพร้อมในการ รับเสด็จองค์พระสูคริตคะ่ะขอบพระเจ้าอัยพระคะ่ะ